ัญญัตระปริโพคะปฏิเขปาทิว่าด้วยการห้ามใช้เสนาสะนะผิดที่เป็นต้นสมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายได้นําเสนาสนะเครื่องใช้สอยประจําในวิหารของอุบาสกคนหนึ่งไปใช้สอยที่อื่นอุบาสกนั้นตนําหนิประนามโพลทนาว่าฉะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงนําเครื่องใช้สอยในที่แห่งหนึ่งไปใช้สอยในที่อีกแห่งหนึ่งเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้